การิเดินกัญญาเยนเมอวานีพูดถึงกระสินคือปฏบีกระสินได้แก่กระสินดินการปฏิบัติกระสินกระสินจริงๆมีสิบอย่างวิธีปฏิบัติของเขาตามที่เ้าปฏิบัติกันได้นะถ้าปฏิบัติกระสินกองใดกองหนึ่งต้องได้คล่องจริงๆ นันหมายความว่าต้องเข้าฌานออกฌานในตามชอบใจคําว่าเข้าฌานเป็นชายก็ไมายควาเห็นผ้ากระสินเป็นแก้วเป็นแก้วใสแปลเบาสวยงามมากก็นี่เป็นฌานนั่นนึกจะเข้าฌานก็เข้าได้นึกจะออกฌานก็ออกได้คล่องจริงๆตามเวลาคือไม่เลือกเวลาเวลาง่วงนอนอยู่เข้าฌานได้ เดินไปส่วมเข้าชานได้ไหวไหมเข้าชานนีมัเนเะหมายความต้องนั่งนะกินเข้าถึงชานหมายถึงว่ามีทุกการภวนาแบบไหนก็ตามต้องเข้าชานได้ทันทีทันใดอย่างนี้ก็าจึงจะปล่ยนกองถ้าจะเปลี่ยนไปกองที่สองถ้าเราเปฏินนบัติหลายๆกองได้แล้วหรือกองหนึ่งสองสามก็ตาม รับแรกจะขึ้นปฏิบัติกองใหม่เขาต้องขึ้นกองเก่าก่อนตอนแรกต้จับชาญกองเก่าให้มีความสดใสกาลังใจทรงตัวแล้วก็ย้ายไปกองที่สองย้ายไปกองที่สาย้ายไปกองที่สี่เมืวามว่ากองแรกคล่องถ้าคล่องจริงๆอย่าได้รัดเวลาถ้าเข้าชานออกชานได้ตามสบายอย่างนี้กองที่สองสามกองต่อไป จะได้ไม่เกินกองในสามวันก็ <c oughs> ทำมาแบบนี้นะเรลงความว่าเรื่องราศินเป็นเรื่องเรื่องราศินจริงๆในความจริงก็เป็นขอธรรมาดาที่มัตตินดาท่านพุทธบริษัต ท, ที่จเจริญมโนยิธิได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพพระนั่นคือภาพพระพุทธเจ้า ที่ทุกคนเห็นแจ่มใสการเห็นแจ่มใสอย่างนั้นไม่ใช่พุทธานุสติการเห็นภาพอย่างนั้นเป็นกสินถ้ภาภาพนั้นเป็นพระพุทธเจา้าจะกาเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นกรสินด้วยถ้าไม่มาพูดถึงตอนนี้บรรดาญาโยมมุติเบญสัทคิดได้แล้วคิดว่ากสินเราได้แล้วแต่ว่าเป็นการได้อย่างอ่อนได้ในไข่เขาสุขของโยโกบ้างเตวิโชบัง้งสนะพิญโยเล็กน้อยบัง้ง ยังไม่ถึงเพแกนดักรการเห็นภาพพระแจ่มใสเป็นอาโลกาสินอาโลกาสินคืหมายถึงแสงสว่างในการที่จะสามารถรรู้ว่าเป็นพุทรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติไปเห็นพระเป็นพระสงฆ์คือพระราหงก็ตามพระกิริยิงข้างบนมีสภาพแจ่มใสแทรู้ว่าเป็นพระสงฆ์เป็นสังขารนสติด้วยเป็นกสินด้วย ถ้าเห็นเทวดาและปรมจักก็เป็นเทวตานุสติด้วยเป็นกระสินด้วยทวงความว่าถ้าพูดถึงก็สิงบั่ดาญาโยพระพุทธัสยาสน์กันแล้วแต่ว่าไม่ตรงเป้าหมายจริงๆเป็นเพียงว่าเข้าถึงกรสินแต่ไม่รู้จักกระสินไม่จะจำปฏิัตกระสินโดยตรงก่อนที่จะพูดนี้ก็สิงกองที่สองก็ขอย้ํำทุรีลายการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้ ก็สิ้นจะได้หรือไม่ได้ไม่มีความสําคัญความสำคัญลำแรกก็คือเราต้องตัดแสงโยชนสามให้ได้ถ้าตัดแสงโยอดสามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบอายภูมิเราจะได้ตัดสินต้อสิสกองจะได้วิชาสารก็ได้อภิญญาก็ตามแต่ว่าไม่สามารถตัดส้นยอดสามได้เราไม่พ้นอบอายภูมิแน่ แต่ท่านเทวทัตได้ปัญญาสมาบัติึเป็นฌานโลคีก็ยังลงเอเวกีหมอนราลกเผลอฉะนั้นเรื่องฌานโลคีไว้บางใจไม่ได้ <c oughs> ต้องก้าวกรหสาบันเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญสําคัญว่าพระอริยะท่านทําได้แบบไหนแล้วทได้แบบนั้นเป็นพระอริยะต้นตงคือพรสวดดาบัน อารมณมที่เราต้องใช่ประจำก็คืนหนึ่งไม่ลืมว่าเราจะต้องตายแล้ความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ต้องตายแน่วันเวลาล่วงไปเสลายแเราเดินใกล้ไปหาความตายเท่นั้นเราต้องตายไม่ตายไม่มี ในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยึดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าประทรมพระอริยสงฆ์เป็นที่เคื่องต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาในประเดี๋ยวว่าเื่องคบพระพุทธเจ้าเสบางคคบบ้างไม่โคบบงังอย่างนี้เป็นเหี้ยวนะ่ารแไรนอน <c oughs> ต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆแล้วก็ยอมรับนับถือท่าน แ้ายการต่อไปข้อ น, นข้อที่สองนั่นเป็นพิจิตรชากับพิจิตรชาสงสัยข้อที่สามตัดศีลล้กตัปรามาคือความไม่แน่นอนในการทรงศีลเรากลับมาเป็นคนแน่นอนในการทรงศีลแต่การทรงศีลของพระอริยเจ้าไม่ใช่ศีลห้ายอย่างเดียวต้องมีจำนวนสินด้วยเพราทั้นี้เพราะว่าสังเกตดูถ้อยคําของลราในสาขาก็ดี อ๋อนายเป็นิการเสถีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบดอย่างเดียวท่านพูดดีด้วยทีนั่นก็ต้องมีข้าวสินห้าในกำหนดศีกควบกันเข้าวสินห้าเนี่ห้ามแขมโมสาวาดกำหนดศีกห้ามโมสาวาดด้วยห้ามพูดคำหยาบเปเครื่องประเทือนใจเขาด้วยห้ามมินทายชาวบ้านเป็นการส่อสีเขาแตกกันด้วยห้ามเพ่อเจ้อแล้วไหลและประโยชน์กันด้วยห้ามสี่อย่าง ในพระโสดาบันท่านไม่ใช้ท่อคำสี่อย่างนี้ท่านเว้นจึงต้องถือว่าท่านมีกำบนดสิบด้วยวิธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมีกามไม่ดื่มสุราจะมีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเส่อเสีย คุณทาชาบ้านเขาแล้วก็ไม่ใช่วาจาเหลวไหลไรล้ประโยชน์ทาจิตใจไม่คิดอยาได้ทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นใดมันจะเป็นของเราโดยไม่ชอบทำแล้วก็ไม่คิดประทุสด้ายไม่จองล้างจองผายไข่ความโกรธจะงมีอยู่บ้างแต่เบาบางแล้วก็มีความเห็นชอบ ตามคำแนะนำสอสอนหลวงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งเป็นวิเศษอุปสมานุสตินั่นก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวะะัฏฏะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข เกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขช่วกคราวมา บ, บุญบ า, าบรามีรก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการานิทานจึงมีความสุขแน่นอนทั้งสี่อย่างนี้พระบรรดารนพุทธบริษัท ต, ต้องส่งตัวสำหรับวิชาการต่างๆในกรรมฐานหลายละกองเขาเรียกว่า น, นำกันเพื่อเป็นความรู้ เราะว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นในการชอบใจถือว่ากรรมฐานทุกองมีคุณค่าเสมอกันหมดเหมือนกันสองเป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันสามปฏิบัติได้เหมือนกันเหมือนกันทุกกองที่นี้มาว่าการวิธีปฏิบัติทางกายทางดํารงสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจ เราก็ต้องหาจุดทุ่ความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรงไหนที่จะถูกอันดับแรกก็ตั้งใจรูู้มหม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรอย อย่างนี้เป็นขณนธิกะสมาธิกับอุปจาระสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเฉยๆเป็นขนิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยรู้ลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารู้ลมหายใจให้ใจเข้ากระทบรื่ยไปยถึงเหนือสูงเหนือสะดือ ให้ใจออกกระทบศูน mm. เหนือสเดเรื่อมดาละอกถึงจะหมุกรู้หมดตลอดสายอย่างนี้เป็นปฐมฌานใ <c oughs> สังเกตไปนะแล้วต่อไปก็สังคุบคู่กับคําภาวนาสําหรับท่านที่ไม่ยงคำภานาจักไม่ภาวนาก็ได้ <c oughs> ถ้าถามว่าคำว่าภาวนาใช้อย่างไงถ้าได้จิตเบื้องต้นการฝึกเบื้องต้นสุขวิเมาไโกตอนกลาคือในสอนสุขขอเป็นจโก ในตอนเมื่อต้นเขาไม่จํากัดคําภาวนาจะว่าอย่างไงก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุดกลางต้องจํากัดภาวนาอย่งางกระสินเป่นต้นเองปัทวีกระสินเนี่มื่คืนนี้ต้องภาวนาว่าปัทวีก็สินนั่งอยาไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคํำภาวนาจํากัดวันนี้กระสินเนื่อวันเมื่อวานันธาตุสีนะดึง น, น้ําลมไป ปินแล้วก็น้ำแล้วกับลมแล้วกัไฟวันนี้ก็ว่ากันถึงสิง น, น้ำอาโปกสิงคำว่าอาโปคือน้ำอันนี้ตามแบบทีอ่อาจารยายานมีเขียนไว้ต้องใช้ขันน้ำขนาดนี้ใช้น้ำให้เตียมเตี่ยมไม่เห็นขอบไม่เห็นขอบขันมันไม่ได้ขันมีขอบแต่เวลาที่มองจริงๆห้ามมองขอบขัน อันนี้ก็ต้องไปมองในมหาสมุทรไม่เห็นขอบใช่ไหมไม่ให้ก็ะดมน้ําไปมองไม่เห็นฝั่งแนะ่ตัวความว่าวิธีปฏิบัติจริงๆก็ระอ า, าจารยถายใจนะท่านสงเคราะห์แตนท่านไม่ผิดไม่เกรงว่าจะเป็นกสินโทษมันหมายความเห็นน้ําก็ไม่เป็นไรเป็นกระสินน้ำเห็นขอบขันขอบขันไม่เห็น้ํา ถ้ามีภาพเอื่นติดขึ้นมาด้วยถือเป็นอระสิงโทษไม่ว่าการะตามำราณานะตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีปฏิบัติจริงๆเขาไม่จำเป็นคือไม่มีความจำเป็นเลยมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวใช้ตามใส่ขันมาจะขันเล็กหรือขันใหญ่ก็ช่างเราต้องการชาพ น, น้ำ เอลาละเ ล, ล่มตาดูละเล่มตาดูน้ํามั่ดูตาขอบขันเราไม่จําขอบขันหรือ ว, ว่าเอื่อญจิตที่จะหาขอบขันบ้างแตเราไม่สนใจกับขอบขันสนใจกับน้ำอย่างนีนใช่ได้ทีวิธีปฏิบัติจริงเขาเอากันแบบนี้นะก็ปฏิบัติเหมือนเหมือนกันกันกบพระทวีก็สินเหมือนไม่ได้ทีนะเหมือนไม่รู้เรื่องบางคนแล้วแก่เนียมเพึ่งมาเนี่ยวิธีปฏิบัติก็ตักน้ามาหม น, นึ่งขัน ขันเล็กก็ได้ขันโตก็ได้มาวานข้างหา้ารย์ได้กระถาจายนได้ก็หมดวระห่างเท่าไราจึงบอกกาไม่จำเป็นเราก็ดูการเหมาะของเราขนาดไหนเรามองได้ตามสบายเวลามองน้ำก็นึกใใจว่าอาโปกรสีหนังมีเข้าจำกัดคำาบราณนะ เวลาดูน้ํำนึกว่าอาโปกสินังอาโปกสินังแล้วรู้ว่ไม่ใจก็ออกด้วยจิตจะได้สงบชันเร็วเมื่อลืมตาจําภาพน้ำได้แล้วก็หลักตาหลักตานึกถึงภาพน้ํานึกตอนนาวะอาโปกสินังรู้ว่มใจก็ออกด้วยชักปลาเดี๋ยวหนึ่งภาพน้ําจะเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่เหมือนกัน เหมนกันทุกกองเงินสินเหมือนกั น, ก น, กนไม่เมตยากฉะนั้นคนที่ได้กองแรกต้องได้จริงๆริงยาวสักแต่ละได้ถ้าได้จริงๆครคล่องตัวในชานทั้งหมดถ้าคล่องในชานทั้งหมดแล้วก็สินต่างอีกอีกเก้ากองละกองละสามืันได้หมดถ้าทําแบบนั้นจะได้สิบกองเมื่อพลาดน้ำเลือนไปก็ลืมตามมาดูใหม่ จำภาพน้ําได้ก็หลักตาภาวนาใหม่นึกถึงภาพน้ําทำแบบนี้สลับกันไปแล้ก็ในช่วงเดียวกันนิวรนก็อาจจะเข้ากวนใจแต่นิวรนนี่เป็นของธรรมดาไม่ลืมกันไม่ได้นะมันเข้ามาแทรกโร่ความเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนแม้เมื่อเราเผอก็ไปถามของธรรดามันเข้ามาได้มันต้วเข้ามาได้แน่พอรู้สึกตัวมาก็ตัดมันทิ้งไป หันเข้าไปจปับลงในใจก็ออกลืมตาดูน้าใหม่ลืมบ่แค่จําได้อยู่นายไม่เห็นเพ่งยังต้องแสบตาอันนี้เคยบอกาญาติโยมบางคนมาสองสามปีที่ผ่านบันมาเพราะว่าเป็นลายใจในกรรมฐานต้องการในสมมัติที่ด้พุทธานาุปกติให้ลืมตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลักตาไม่ตึงผ้ากันเกลื่ตาและแสบตาดีไม่ดีมันชนไม่เข้าไปพุ่งตาตายอ่ะ ต้ไม่ถูกไม่จำหรูบะสอนไม่จำจะต้องจำแลลืมตาลงแค่จำได้แล้วก็หลับตานกสลับกัไปสลับมาแบบนี้ถ้าจิตเริ่มลำคาญมีการเครียดจิตมีจิต ม, มีการโูกสั่นมากคุมไม่อยู่เลยแส้อย่างฝืน <c oughs> ถ้าวิธีก็ฝึกสมัยก่อนถ้าจะมาฝึกกันครูอาจารย์สอนแบบนี้ ให้เอาผาเก็สินตั้งไว้นอกกระท่อมที่พักคืออยู่ในบ่าช้าแล้าหลักตาเลือมตาเลือมตาหลับตาจําภาพพอคิดว่าจําภาพได้ทรงตัวบ้างพอสักคนก็เข้าปุ่นก็มาหลับตามันจะไม่ไม่ลืม ห, หลับตานึกถึงภาพให้ภาพทรงใจถ้าจะนอนก็นอนถ้าจะไอนก็ภาพหลับตาหเห็นภาพน้ํา ก็สิงกองใดกอง่เ ห, เหมือนกันมันไม่พูดเรื่องน้ำทำอย่างนี้ทุกวันแต่เวลาที่ทำให้เลือกเวลาที่สบายให้จิตเป็นสุขเวลาที่มีอารมณ์ุ้มมีอารมณ์เครียดอย่าฝืนถ้าถึงม่าถึงเวลาเราต้องทำนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าถึงเวลามันมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์กระสับสายก็ลองทาดู บางทีเราอาจจิชนะงนิวรณ์ทำแล้วเิ่มจิตเสียบใช้ได้ถ้าเริ่มทําแล้วจิตฟุ้งซ่านมากขึ้นเลิกทิ้งไว้ก่อนย่าไม่ทำไม่งั้นก็เดินไปเดินมามองภาพแล้วก็เดินไปเดินมาจําได้มั่งไม่ได้มั่งคํำมาเดินเป็นคาเฟ่วโจงกระงเดินไปเดินมาใกล้ๆคันน้ำเหลือวมาเห็นคันน้าก็จําได้แล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปยังก็ใช้ได้ทีแรกเอาเบาเบาก่อน ต่อมาเราจะเดินไปไหนก็ตามแต่วิธีฝึ ก, กนนะเขาฝูเรื่องพระคนนะเมื่อรุ่นที่ฝึกกันเล็นพระเขาทำแบบนี้ไปบินาบาทตลอดสายทั้งไปและกลับเขาจะไม่ลืมภาพเวลานั่งทำวัมมาสดมนอยู่จะจับภาพนี้ตลอดเวลาภาพอาจจะขึ้นด้บ้างแรกหนึ่งเขาตีกลับมาเดินไปไหนก็ตามไม่อยากคุยกัน คุยกันถ้ามีเวลาว่างภาพก็ตายกับจิตให้มันทรงตัวแบบนี้ถ้าทรงตัวแบบนี้หรือว่าเข้าถึงอกาขณิกากสมาธิเบื้องต้นให้เกิดแล้วก็หายเร้วเกิดหายเร็วด้วยขณิกะสมาธิถ้าเกิดจุนลา น, นี้สองสามนาทีมีโจรตัวตามนี้ก็เรียอกอกาอกาสมาธิเบื้องต้น เรก็สมาธิแปลสมาธิเปรียบเทียบจะไม่ใช่ของจริงยังใช้ไม่ได้ต่อไปต่อไปเห็นภาพนั้นมนาะดูหลักการนึกนถึงภาพภาพก็คลายสีอย่าลืมนะสินว่าง่ายก็แบะเป็นสีเดียวกันอันแรกแรกภาพนั้นจะค่อยๆลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้อยๆค่อยเหลืองขึข้นมาเหลืองข้นม า, า, มาวันเดียวไม่เสร็ จ, จต้องเป็นหลายวัน จนกะทั่งเหลืองทึบใหญ่สีน้ำไม่กลายกฎกลายกดจะสีเหลืองอย่างนี้เป็นอุภราอุปหาสมาธิใกล้เข้าไปต่อไปเมื่อเหลืองเป็นแท่งทึบทรงตัวนานอยู่หลายวันแล้วก็เพ่งตามนั้นไม่เคยคิดอะไรทั้งหมดต่อไปต่อไปจิต ด, ดีขึ้นสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาวก็ก็จางลง จางลงจางลงจางลงยงกถเป็นสีขาวสะอาดทั้งหมดสีขาวสะอาดไม่เลอะปนตอนนี้จิตมีความเข้มแข็งตอนึก ด, ดูว้าขอผ้ากระสินนี้จังตรงขึ้นผ้ากะสินก็จะโตไปตามที่เราต้องการลาโตขนาดไหนก็ได้ว่าต้องการผ้ากระสินให้เล็กลงผ้ากระสินก็จะเล็กลง เมื่อขอ้าพางกอรสินลอยขึ้นพ่างกอรสินก็จะลอยขึ้นคิดมาขออยู่คนหน้าอยู่คนหลังอยู่ข้างซ้ายข้างาขว า, า, ขขาเป็นไปตามนั้นทุกอย่างอย่างีถือว่าเป็น อ, อุคข า, ส, าสมาธิขั้นสุดท้ายสมาธิเฉียดชันยังไม่ถึงชาญถ้าที่ก็าฝึกวิชาสามเขาจะใช้กันตรงนี้ยังไม่ต้องถึงชานเริ่มฝึกทิพย์ยันกันตรงนี้ เห็นภาพกระสินชัดเจนสบายใจในพระญาติฐานจิตว่าขอภาพกระสินจะหายไปภาพที่เราต้องการจงปรากฏภาพที่ต้องการมันจะชัดเจนท้งภาพกระสินจะเป็นภาพแผลงแบบภาพคนภาพสัตว์ภาพนรกภาพสวรรค์ภาพป่านเดินลงใครเมื่อใครก็พูดจะซัดยิงก็ไม่อยู่ที่ไหนเราไม่แน่ใจ ขอดูตามนั้นยึยดเอาผ้ากรสินเปนที่ตั้งอย่างนี้จะเห็นชัดเนจนแจ่มใสามากแต่ห้ามคิดขโมยก็นะคิดขโมยเขาผ้ก า, ากสินจะเป็หลายตัวตั้งอยู่ในสิงอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกันได้เลยนี่เป็เรื่องวิชาสารเมื่อเราฝึกแต่งข้อปัญญาเนี้ยแค่นี้เรายังไม่หยุดหยุดก็ได้ถ้าหยุดแค่เนี้ปัญญาไม่เกิดไม่พูดได้ปัญญานะ ก็ต้องพิจารณาพิกเรื่องไปตามนั้นจงกว่าแพทกระสินจะคลายตัวคล้ายจากสีขาวเป็นทัองทิพเริ่มเป็นแก้าจะเป็นเจ้าตั้ขอบก็มาทีละหน่อยจะหน่อยวันหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าใหม่มากใหม่ๆอาจจะเป็นสีแก้มเรื่องคนลอกทั้งทั้งโองทั้งกระสินแต่ต่อไปก็จะัตกขอบกมาเป็นแจ้วล้วนจนกระทั่งเป็นเจ้าหมดท้องโอ่ง ถ้าเป็นเจ้วใสหมดองคอย่างนี้เขาเรียว่าอัปปนามาสมาธิเป็นฌานสมาบัติถ้าเข้าถึงฌาสมาบัติจะถึงไม่ถึงใสังเกตตามนี้สังเกตเสียงภายนอกเราจงพยายามทําใกล้คนคุยด้วยใกล้เสียงวิญญาใกล้เสียงโทรทัศน์ถ้ากระนั้นเห็นภาพชัดเจนสัมสัยเป็นเจ้าตามนั้นเสียงวิญธาโทรทัศน์ เราเล่นเรได้ินชัดเจนมากถนัดทุกพยัญชแต่เราไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นระทุมาชานแน่ต่อไปก็พิจารณาแบบนั้นเรื่อยๆไปจนทั้งปรากฏทั่งชานสีถ้าปรากฏชานสีผ้ากระสีจะสวยมากไม่มีการข้องตัวทุกอย่างหลังจากนั้นหูจะไม่ยินเสียง เราใสยกับจิตตัดกันโดยขาดแยกจากกันบรสาัาร่างกายทา ง, งานปกติแต่จิตไม่รับสาราบหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ยอมรับสราบคือเลยไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ต่อจากนั้นไปจิตก็จะตัดจากร่างกายไม่ยับไม่อมไม่ยอมรับรู้ไม่ใจเข้าออกร่างกายยังให้ใจอยู่แต่เรามีความรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจ อย่างนี้แปร ก, กายวัชานสีเมื่อทำกรรสินจริงๆต้องทำวัชานสีให้คล่องตัวไม่ใช่สักแต่ ว, ว่าบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อย่างนี้ทาไปราดิญญาไม่ได้ถ้าเราธรทมแค่อุปจาระสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้งจะเป็นสุขัสสะโกได้ถ้าเตวิโชวัต้องส่งอุปจาระสมาธิในแน่นอนเหมือนกันเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใด เมื่อแดงขออพิญญาต้องรงชาลีเป็นแน่นอนเมื่อพักอะไรจิตเข้าถึงชาสีทันทีดูภาพก็สินเม็นนินไม่ว่าจะพิ้งหรืองลิใครอยากจะเล่นนิสเมื่อาคืนนี้ก็สินแข็งกระสินบินใช่ไหมก็สินแข็งทำของทำของอ่อนให้แข็ง อากาศซึ่งอ่อนเราเหยียบไม่ได้และจับไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปฐวีกรสินอธิษฐานจิตแต่ว่าใต้กองสองกองอย่าอธิฐานนั้นจะไม่ได้ได้กครบสิบกองข้อแรกมีการซ้องงมต่างอีกวินาทจะบอกให้วิธีสักซ้อมต้องมีเป็นพิเศษไม่ใช่มาได้แค่จานฉีและทําได้ไม่ได้แน่ก็อย่าลองทําเลยไม่สําเร็จเสียเวลาเปล่า สวีรสินทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอากาศเป็นอ่อนเราอยากจะเดยนีลมอากาศก็ที่ฐานว่าขออากาศทั้งหมดแต่ว่าส่วนใดก็ตามที่เท้าเหยียบลงไปค่อยแข็งเหมืนอนดินวลออากาศแข็งข้างโลก ม, มันต้บินแล้วติดแนะแขะถ้าอย่างนี้เราก็ยองลองเหยียบดูให้เหยียบให้ดีเหยียบจะนังคาลงมังกรังพอดีเหมือนกันนะ ถ้าพลาดท่าไปทางก็าตายพระกุณไปเลยหรือว่าจะลองใช้มื อ, อหนัวได้าาการกัดจนได้ก็ตามเมื่อเมื่อมือเขาไปเจ้าแตกไปคอยแข็งจะไมดีกว่าเขาจะลองแบบนี้เอามือแตกตั้งได้ไหมมือจิ้มบั้งมันแข็งจนกทั่งพล็กมอะไรแข็งมันนั่งเล็กมอะไรแข็งมานั่นนงเขาก็ลองเดินโวากัดอย่างนี้ไม่เจาะนะเดินออกก็ใช่วาโยกศีล อันนี้แต่หาบว่าถ้าจะลงถ้าฝนถ้าจะลงน้ำประจวีกรสินก็อธิฐานในน้ำแข็งมาอาโปกรสินทำของแข็งให้เป็นของอ่อนอย่างดินในแข็งเราไม่มีจอบจะขุดเราจะมือตักอธิฐานเนี่ยตรงนี้มีน้ำชื้นดินอ่อนมันก็นดินเปียกมันจะอ่อนมันเรีนเปียกตักไม่ได้ตักสบายสบาย เป็นบางทีอย่างพระตดโดงท่านอดไม่รู้จะกินอะไรไอ้ฐานดินเป็นบุ้นเป็นขนมฉะดินมอตบายเซี์ยงใส่เดือยกินใช่ไหมอันนี้ทำได้เลยทาหรือว่าถ้าฝนไม่ตกต้องการในฝนตกใช่อาโปกรสินแต่วิธีใช่จะพูดตอนหลังกอนนี้จะไม่พูดเอาตอนจบแล้วตอนจบแล้ ว, จ, ลวจะสรุปให้ฟัง ถาเรื่องความวาเรื่องฤทธิ์อย่าสนใจให้มากจะเป็นการผ่องเวลาบรรลุผลเราต้องกายเอาศินเป็นกําลังสมาธิให้สมาธิทรงตัวมีความเข่งแข็งสู้กับมีวนสู้กับกีเลดเวลามันเลยนาทีครึ่งกรเรื่องของศินก็ทําให้ทรงตัวจิตจะได้เป็นสมาธินานจะทรงฌานได้ดีแต่ขอสรุปว่าขบัรดาญาโจรพระบริษัทย่าหลงอาศินมากเกินไป ยังไงไตามกระยสเห็นไหนก็ตามนั้นหนึ่งความตายอย่าลืมต้องย้อนมาคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแายการที่สองตัดความสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนักถือด้วยปัญญารายการที่สามรักษาหินหาพร้อมกับบทสิไม่คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พึ่งพิธกรรมไม่ยุ่สุราดมเรัยทางกาย ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูยเจือแหลวไหลทางวาจาไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองร้างจองผ่องกายมีความเห็นคล้อยตามที่เจ้าสอนเรองความเมตตาปฏิบัติในตามนี้นะพ้นอบายภูมิถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบนี้ได้กระสินขนาดไหนก็ไม่พ้นอบายภูมิ ได้จุดสุดท้ายทุกคนอย่าลืมพนิพานตั้งใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเป็นเทวดาแล้วก็เป็นทุกข์หมดทุกข์จริงแหละแต่ว่าไม่หมดนานหมดมือสนามบา ร, รมีมาทุกข์ใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการานิพานเวลาหมดเทนญยตโยมุตบริสัตทุกั้งนตอนนี้ไปขอทุกต่างตั้งใจสมาทาิสีนิมาามานะสมาธิ